ในวันนี้คงจะเอาข้อความในสังยุตติกายมากล่าวกันตามคำพีสังยุตติกายสลายตนะวัฏสังยุตติกายนั้นวักใหญ่ๆเลยนะวัฏที่หนึ่งเขาเรียกว่า อะไรนะสักขาทวะเห็นไหมวักที่หนึ่งเขาเรียกว่าสักขาทวะสังยุตตนิกายนั้นวรกที่สองมีชื่อว่านิธานวักวักที่สมีชื่อว่าขันทวรวะกวัคที่สมีชื่อว่าสลายตนาวัค วัคที่ห้ามีชื่อว่ามหาวัคทสังยุตติกายนั้นมีวัคใหญ่ๆอยู่ห้าวคด้วยกันทัทีคณิกายนี่มีอยู่ 3, สามศีลขันธวรคมหาวรคแล้วก็ปาติกวรคมีสามวคธรรมชิมมนิกายนี่มีสามปั น, นาตมูลปั น, นาตมชิมปั น, นาตอุปริปั น, นาต ถ้าสังยุตติกายนี้มีอยู่ห้าวัแต่ละวัดก็มีหลายสังยุตเนีนะเช่นโอคะตรณะสังยุตอย่างเงี้ยเทวตาสังยุตมารสังยุตพรมสังยุตโกศนสังยุตอย่างเงี้ยหรือว่าในสังยุตอื่นๆเอกเช่นภิกขุสังยุตลาบสการะสังยุตธาตุสังยุตเนี่ยนะมีมีหลายสังยุตแต่ที่น่าสังเกตว่า ในสังยุตตนิกายนั้นเป็นการเรียบเรียงตามหลักโพธิปัจจัยธรรมค่อนข้างสูงมากเนี่ยนะโพธิปัจขัยธรรมนั้นเรียบเรียงไว้ในสังยุตตนิกายเป็นอย่างดีคําว่าขันธ์ธาตุอายตนะก็เรียงไว้ที่สังยุตตนิกายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมีศรัทธาในเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะหรือว่ามีศรัทธาในโพธิปักจิยธรรม ต้องการจะศึกษาพระสูตรที่เป็นสูตรเครื่องบ่มอินทรีย์โดยเนยะต่างๆก็ควรที่จะอ่านเป็นอย่างยิ่งในสังยุตตินิ迦ในสังยุตติกายนั้นมีพระสูตรสั้นๆนะเป็นสูตรที่ไม่ยาวนะักทั้งหมดเลยก็มี7 7 0 0 6 2สูตรเซึ่งแต่ละสูตรนี่ไม่ไม่ยาวเซึ่งเราสามารถกำหนดจดจำได้ไม่ยากนัก เนะี่ยะสูตรก็ซ้ําๆกันเนื้อหาต่างกันนิดๆหน่อยๆอันถ้าหากว่าเรามีศรัทธาที่จะจําก็สามารถที่จะจําได้จําได้แล้วก็เอามาตรึกเอามาเพ่งทีนี้ในการเรียบเรียงพระสูตรในคัมภีร์เหล่านี้อ่าพระสูตรไหนควรแก่การอธิบายควรแก่หัวข้อท่านจะเอาพระสูตรที่เป็นหัวข้อตั้งก่อนสูตรไหนที่เป็นสูตรอธิบายท่านจะเรียงตามมาเนี่ยนะ เพราะว่าคนที่เรียบเรียงแบบนี้ถามว่ากลุ่มไหนรู้ไหมพระที่เรียบเรียงคำพีเหล่านี้คือพระ ม, มหากศสปักเป็นต้นกลุ่มพระที่สังขยาครั้งที่หนึ่งเป็นคนเรียบเรียงมาจัดวักจัดตอนจัดหมวดจัดหมู่ทั้งหมดเหล่านี้เพราะฉะนั้นกลุ่มพระเทระเหล่านี้จะรู้ว่าอะไรจะอธิบายตอนไหนอะไรอธิบายก่อนอะไรอธิบายหลังเนี่ยท่านเรียงไว้เบ็ดเสร็จหมดเพื่อสะดวกต่อการศึกษาและกาหนดจดจำ อะไรที่มีข้อมูลคล้ายคลึงกันท่านก็จะเรียบเรียงเอามาไว้ใกล้ๆกันนะอย่างในช ล, ชลาวัคเนี่ยนะในวัคที่ <c oughs> วัคที่ห้าในวัคนี้กล่าวถึงอะธันตะอคุตตะสูตรนะคำว่าอาธันตะนี่แปลว่าไม่ได้ฝึกอะคุตตะนี่แปลว่าไม่คุ้มครอง คนที่จะอ่านสูตรนี้พอที่จะจับเนื้อหาเอาไปปฏิบัติได้นั้นจะต้องมีความรู้ในสูตรก่อนหน้านั้นมาพอสมควรพระสูตรก่อนหน้านั้นที่สมควรรู้เลยเนี่ยนะก็คือการสงเคราะห์ธรรมะทางทวารทั้งหกให้ได้เนี่ยนะสงเคราะห์ตั้งแต่ตาทวารทางทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจให้ได้อนนะว่า ถ้าทางตานี่ก็ต้องมีอาศัยจากสุกับรูปเกิดจากขวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเนี่ยน ะ, ะถ้อยคําเหล่านี้ต้องทรงจําให้ได้ทั้งหมดเมื่อทรงจําธรรมะเหล่านี้ได้ทั้งหมดเนี่ยนะสงเคราะห์จักขคูเนี่ยโดยอัสาธาอาทีนวะเหตุเกิดความดับนิสสาระนะลงไปในจักขคู่ลงไปในสีเนี่ยนะ คือไม่ว่าจะเป็นตาสีจักขรวิญญาณภาษาเวทนาเนี่ยนะธรรมะทั้งห้าคำเหล่านี้เนี่ยนะต้องรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อัศาธารู้อาทีนวะและรู้นิสรณะของธรรมะเหล่านี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วสามารถสงเคราะห์ธรรมะเหล่านี้ลงปริญญาสามได้เนี่ยนะสามารถสงเคราะห์ธรรมะเหล่านี้ลงปริญญาสามโดยพื้นฐานแห่งความเข้าใจนั้นมีความรู้ในเรื่องนี้ดีอยู่แล้วแล้วสงเคราะห์ธรรมะเหล่านี้โดย รถเจ็ดผล ก, ก็ต้องหน้าอยู่แล้วเพราะว่าผู้ที่จะศึกษานิกายทั้งสเลยนะคือทีคณิกายมัชชิมนิกายสังยุตตนิกายแล้วก็อังคุตระนิกายนั้นจะต้องเอาวิสุทธิมรรคไว้ท่ามกลางเขาพ่างั้นนะเอาสีนิกายไวร้รอบๆเอาวิสุทธิมรรคไว้ท่ามกลางหลักการสังวรนานานิกายทั้งสี่เนี่ยขยายตามแนวนี้นเนี่ยนะถือว่าขยายตามแนวนี้แนวเดียวตามแนววิสุทธิมรรคเพราะฉะนั้น พระอัตถฐถาจาร์ที่เรียบเรียงวิสุทธิมัชคืออัตถคถาจาร์ที่เรียบเรียงอัตถคถาทีคณนกายอัตถคถามัชฌิมนนกายอัตถคถาสังยุตตนิกายอัตถคถาอังคุตรนิกายเจ้าเดียวกันที่เรียบเรียงเพราะฉะนั้นท่านจะขยายในแนวเดียวกันทั้งหมดเนี่ยนะเมื่อขยายในแนวเดียวกันนั้นโครงสร้างกว้างแบบนี้เราต้องเข้าใจไว้ก่อนเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐาน นะถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานอยู่แล้วพระสูตรเหล่านี้อ่านแล้วเนี่ยเราจะมองภาพออกเนี่ยนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าก่อนที่จะฟังสูตรนี้เนี่ยนะต้องมีความเข้าใจว่าถ้าได้อ่านสูตรก่อนๆในเล่มเดียวกันมาเนี่ยท่านสงเคราะห์ตาสีจักคูวิญ ญ, ญาณจาคัคคูสัมผัส น, นะภาษาเวทนาเนี่ยนะลงเหตุเกิดความดับอสสาทะอาทีนวะและนิสรณนะ หูเสียงโสตะวิญญาณโสตะสัมผัสเนี่ยนะเวทนาที่เกิดจากภาษาเหล่านั้นเนี่ยนะในทวารหูทั้งหมดก็ต้องสงเคราะห์ธรรมะแต่ละอย่างโดยเหตุเกิดโดยความดับโดยอัศาธะโดยอาทินวะและนิสรนะณะทวารจมูกก็เหมือนกัน น, นะคานะกลิ่นคานวิญญาณคานะสัมผัสแล้วก็เวทนาธรรมะเหล่านี้ก็ต้องสงเคราะห์ลงโดย เหตุเกิดโดยความดับโดยอาสาธาอาทีนวะและนิสรณะเนี่ยนะทวารลิ้นเนี่ยนะชิวหารสชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสแล้วก็เวทนาทั้งสามอย่างเนี่ยนะสงเคราะห์ธรรมะเหล่านี้โดยเหตุเกิดความดับอาศะธาอาทีนวะและนิสรณะทวารกายก็เหมือนกันแต่คําว่ากายนี่กว้างนะตั้งแต่หัวจนดเท้าเลย กายคือผมกายคือเล็บ ก, กายคือฟันเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะสงเคราะห์กายโพธภิภเกิดกายญาวิญญาณนะกายญสัมผัสแล้วก็กายญสัมผัสสชาเวทนาหรือเวทนาทั้งสามอย่างสา ม, มารถที่ประชุมธรรมะเหล่านี้โดยเหตุเกิดโดยความดับโดยอาศะธาโดยอาทีนวะและนิสรณนะและทวานใจทวานใจคือมโนผวังกับอวัชนะมัน พอพูดถึงคําว่าผวังปับ๊บวิญญาณที่เป็นผลของสังขารเราต้องรู้อยู่แล้วปฏิจจต้องแม่นหน่อยเนี่ยนะเอ๊ไม่งนนะั้นเอ๊วิญญาณหรือมโนผวังอาวัชนะจะกําหนดได้หรือถ้าเรามาพูดกันแค่ตรงนี้จริงๆกําหนดไม่ได้หรอกแต่ถ้าคนที่เรียนรู้เรื่องวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยเอาเรื่องกรรมมาเพ่งเป็นหลักแล้วเขาจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นอารัมมณปัจจัยของการ ปฏิบัติเป็นอารามณะปัจจัยแห่งการพิจารณาถ้าพิจารณาไม่ได้พระองค์จะบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรพิจารณานะแต่ไม่ใช่พระองค์ให้พิจารณาเพราะฉะนั้นมโนธรรมะมโนวิญญาณมโนสัมผัสและก็เวทนาก็ต้องอยังธรรมะเหล่านี้โดยเหตุเกิดโดยความดับโดยอสาศทะโดยอาทีนวะและนิสรณนะเนี่ยนะแล้วสามารถที่จะประชมธรรมะเหล่านี้โดยอนิจจังทุกครังและอนัตตา สา ม, มารถสงเ้อธรร ม, มะเหล่านี้โดยปริญญาทั้งสามเป็นอย่างดีเนี่ยนะอ่ะแล้วก็มาฟังสูตรนี้ดูข้อความในอธทันตะอคุตสูตรกล่าวว่าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีก็คือก็ตามสูตรและเชตวันแหละพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภาษายตนะหกประการนี้ ที่บุคคลไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สํารวมแล้วย่อมนำทุกมีประมาณยิ่งมาให้เนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ที่ไม่สามารถที่จะฝึกทานตะเนี่ย น, นะไม่รู้จกักฝึกไม่คุดตะคือไม่รู้จักคุ้มครองรักษาคือการรักษาและก็สังวรการสํารวมถ้าหากว่าไม่เข้าใจธรรมะทั้ง สี่คำเหล่านี้เอามาฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเขาบอกว่าย่อมนำทุกขมีประมาณอย่างยิ่งมาให้ทุกขาที่วาหาโหนติเขาบอกว่าย่อมนำมาซึ่งทุกขมีประมาณยิ่งต่างด้วยทุกขในนรกเป็นต้นนะถ้าไม่รู้จักฝึกในทวารทั้ง6เนี่ยนะผลที่สุดของสิ่งนี้ก็คืออบายทุคติวินิบาดนรกมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ทุกยากนันะ่นแหละ ถ้าไม่รู้จักฝึกไม่รู้จักคุ้มครองไม่รู้จักสัมรวมไม่รู้จักรักษาภาษายตนาหกประการอะไรบ้างภาษายตนาคือจักขุที่บุคคลไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สัมรวมแล้วย่อมนำทุกมีประมาณยิ่งมาให้ไม่สัรวมจักขุนอ่าไม่สัรวมไม่ฝึกจักขุนสีแต่อย่าลืมนะ ตานี้จะไปฝึกได้ยังไงใช่ไหมเอาตาไปดักไปฝ่ายยาหยดตาไปใส่อย่างนี้ได้หรือเปล่ายิงจะเรียกว่าฝึกเรียกว่าดัดใช่ไหมเอาไปหัดจ้องอะไรดูให้มันนานอย่างนี้รูป้ปะฝึกหัดดักเพราะว่าฝึกจริงเนี่ยนะไม่ใช่ฝึกที่จักขุนศีแต่หมายถึงสภาพจิตที่อาศัยจักขุนศีเป็นไปเพราะความบริสุทธิ์ไม่ได้บริสุทธิ์ที่ตาแต่บริสุทธิ์ที่ ที่ใจเนี่ยนะใจจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเขาก็มีประตูของเขาประตูของใจอันนั้นก็คือจักขคู่ภาษาทะหรือแก้วตาเนี่ยนะความใสของต า, าจักรคู่ภาษาทะเหล่านี้เป็นที่ไหลไปแห่งจิตเพราะว่าบา ป, ปรกรรมทั้งหลายเกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่จกักขคู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบุคคลไม่ฝึกจิตที่อาศัยจักขคู่วัตถุเป็นไป หรือไม่อาศัยจักขุนสีเป็นไปคนเหล่านั้นเนี่ยนำทุกมาให้แต่ท่านใช้คำว่าภาษายตนะนะคำว่าภาษายตนะคำว่าายตนะนี่แปลว่าเป็นที่ประชุมเป็นที่ประชุมเป็นที่ประชุมของธรรมะสามอย่างคืออย่างหนึ่งเรียกว่าจากักรขุที่สองเรียกว่าสีอย่างที่สามก็คือจักขุวิญญาณสามอย่างประชุมกันนี้เรียกว่าจักขุสัมผัส นะภาษายตนาอายตนะคือการต่อที่ภาษาทางจักขุทีนี้เมื่อภาษาเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยอยู่แค่นี้ไหมอยู่ไหมภาษาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแห่งตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาก็เป็นเหตุแห่งการทำกรรมนี่แหละทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมทั้งมนโนกรรม เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ฝึกไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่สังวรไม่คุ้มครองตั้งกระต้นแล้วก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบายทุกขติวินิบาทนรกนั้นก็ไม่น่ า, ไ ม, นาไม่น่าห่วงเลยนะก็สังเกตดูที่เจตนาเอาละกั น, ก, นก็เน้นที่การประชุมกันเนี่ยนะอายตนะคือเป็นที่ประชุมกันทางตาเนี่ยนะคือปกติถ้าหากว่า ตาเนี่ยนะฮะถ้าเขายังไม่เป็นอายตนะเนี่ยเราก็เรียกแค่จักขุภาษาธาหรือจักขุใช่ไหมครับถ้าเขายังไม่ได้เชื่อมต่อกับจับสีนะหรือรูปอารมณ์นะอันนั้นก็เรียกว่าสีอย่างเดียวหรือว่ารูปถูกไหมครับตอนนี้พอมีชื่อว่าผัสสายยตนะเนี่ยก็ต้องหมายก ว, ว่าว่าหมายกว่าว่าตาเนี่ยเขาเขามีเขามีกิจมีการงานแล้ว ที่เชื่อมกันแล้วหมายความว่าไอการงานอันนี้ถ้าหากไม่ได้รับการฝึกใช่ไหมครับอย่างข้อหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้รับการฝึกถ่าตานั้นได้มีการสัมผัสมีการต่อมีการเชื่อมโยงกับรูปแล้วไม่มีการฝึกอย่างนั้นใช่ไหมครับหรือว่าจิตที่เกิดจากการติดต่อการสัมผัสแล้วไม่ได้รับการฝึกคือตรงนี้เนี่ยนะ พวกตาสีจกักขวิญญาณผัสสะพวกนี้เป็นชาติวิบากเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นชาติวิบากนั้นกิจของธรรมะชาติวิบากก็คือปริญญาสามเป็นต้นนั่นแหละนะหรือใช้คําว่าสังวรก็ได้เห็นไหมสํารวมอสังวร น, นี้มีกี่อย่างสังวร น, นี้มีห้าอย่างนะหนึ่งโดยศี นะั่ีลสังวรสองสติสังวรสามญาณสังวรสขีขันติสังวรแล้วก็5วิริยะสังวรเพราะฉะนั้นจะต้องเอาสังวรเนี่ยนะไปส่งเคราะห์ลงในการเห็นการเห็นเอาสังวรทั้ง5อย่างลงไปในขณะที่เห็นเนี่ยนะ พ้าหากว่าเราสงเคราะห์สังวรทั้งห้าลงไม่ได้ในขณะเห็นก็ชื่อว่าเราไม่ได้ไม่สํารวมเนี่ยนะไม่เอาศิขาสงเคราะห์ลงในธรรมะเหล่านี้ได้ก็แสดงว่าเราไม่ได้รับการฝึกเนี่ยนะพันธ์การอย่างศิขาลงในภาษายตนาเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนี่ยนะไปกล่าวว่า ข้อข้อสี่ข้อเลยนะทะวารหูก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจกันภาษายตนาคือโสตที่บุคคลไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สํารวมแล้วย่อมนำทุกมีประมาณยิ่งมาให้ทวารหูเนี่ยนะถ้าไม่ฝึกสังวรนะคุ้มครองรักษาไม่ฝึกนะจากการได้ยินเสียงเนี่ยนำทุกมาให้ เพราะว่านำมาซึ่งทุกขในอบายเป็นต้นเนี่ยแสดงว่ากล่าวถึงเหตุเมื่อได้ฟังสิ่งทั้งหลายเป็นเหตุแห่งการทำกรรมเพื่อไปสู่อบายได้ทั้งหมดเลยเพราะว่ากายกรรมวจีกรรมมโนโกรรมก็อาศัยเสียงนั่นแหละเป็นอารมณ์ต่อไปคานะนะคานายตนะคื อ, อภาษายตนะคือคานะ ที่บุคคลไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมแล้วย่อมนำทุก์มีประมาณยิ่งมาให้ภาษายตนะคือเชิวหาที่บุคคลไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมแล้วย่อมนำทุกมีประมาณยิ่งมาให้ภาษายตนะคือกายที่บุคคลไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมแล้วย่อมนำทุกมีประมาณยิ่งมาให้ ภาษาญาตนะคือมโนที่บุคคลไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สัมรวมแล้วย่อมนำทุกขมาให้เนี่ยนะย่อมนำทุกมีประมาณยิ่งมาให้ไม่ใช่ทุกธรรมดานะเอาทุกแบบทุกจริงๆเลยแหละก็คิดดูนะอบายาทุก์ทั้งหมดนี้ก็เกิดจากการไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สัมรวมภัษาญาตนะทั้ง6ประการนั่นแหละผลแห่งการไม่ฝึกเนี่ยนะนึกวันนี้ น้ำผึ้งอ่ะที่ปั้นยาเนาะพอดีมดมันเข้าไปโอ้ยทาไมมดมั น, ม, น ม, า ม, ามาประชุมกันเยอะเลึกเกิอนอันนี้แทบจะหาที่วางเท้าไม่ได้เลยอ๋อมนได้กลิ่นน้ำผึ้งเองโอ้อะไรจะเยอะขนาดนะั้นเยอะจริงๆแทบจะวางเท้าไม่ได้อันนี้ก็คือผลผลของการไม่ฝึกภาษาญตนะทั้งหกมันเนี่ยนะ น, นึกเออเราถ้าไม่ฝึกเนึกงสยไปอยู่ร่วมกันหลายญาติญาติเราเนี่นแหละจึงมาอยู่ใกล้ๆ ก, ก, กันทําเหตุไปแล้ว เขาบอกว่าเดรชานเนี่ยนะเหตุของการไปเดรชานคืออะไรนะคติสองของผู้เป็นมิจฉาทิฐิคือนรกกับเดรชานานะพระพุทธพจน์บทนี้มีหลายแห่งมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาในธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะภาษายตนาทั้งหนี่แหละเป็นเหตุแห่งมิจฉาทิฐิเลยถ้าไม่ศึกษาภาษายตนาทั้งหให้ดีๆเนี่ยนะภาษายตนาหกเป็นเหตุแห่งมิจฉาทิฐิ เพราะศาตร์ทั้งหลายสําคัญผิดสําคัญผิดที่ไหนก็สําคัญผิดในสีในในตาในสีในจกักรวิญญาณในภาษาในเวทนานั่นแหละสําคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเที่ยงบังบางอย่างไม่เที่ยงบางอย่างศูนย์บางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงอัตตาก็อยู่ในนั้นรูปก็อยู่ในนั้นก็สําคัญผิดในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเนีย่ยนะ มันถ้าหากว่าไม่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มิจฉาทิฐิก็จะอาศัยสิ่งเหล่านี้นี่แหละเกิดขึ้นมันคติสองของผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิก็นรกกับเดรฉานไม่น่าเชื่อนะว่าเจตนาที่เกิดร่วมกับทิฐิหรือว่าตัวทิฐินั้นจะมีผลที่ร้ายแรงขนาดนะั้นเะห็นไหมมันร้ายแรงจริงๆไม่น่าเชื่อว่าดูดบุหรี่สบายๆจะเป็นโรคปอดเนี่ย น, นะนก็เออก็สนุกดีเหมือนกันอา้าวเป็นโรคไปละ พวกอาบาปอาคุลมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นโรคภายในไม่ใช่โรคกายว่างั้นตำหรักฉบับมหมามกุฎนี่ย่อไว้สองอายตนะใช่ไหมครับย่อไว้สองขานนะกับโซตาโซต่าละขานนะทำไมจึงย่ออย่างนั้นครับผมสงสัยครับแล้วมาขึ้นชิวหาปกติถ้าจะย่อ น, นะฮะก็อันแรกกับอันสุดท้ายเลยก็ย่อแบบนี้แหละฉบับมหมามกุฎก็เหมือนกัน คิดเหมือนอาจารย์นาราธาผู้ ก, การผู้ ก, การคิดเหมือนอาจารย์นาราะเลยเามายังแซวๆเราโอ้คำทียังตำหนิท่านเลยว่างั้นคือที่จริงแล้วฉบับอื่น ก, ก็เรียงอย่างนี้แหละนะฉบับมหาจุฬาฉบับมหาเมกุนเนี่ยนะสูตรก่อนหน้านี้จะเรียงแบบนี้เหมือนกันเรียงแนวนี้เลยสงสัยว่ามันําเนื้อหามจะดูน้อยไปมะก็เลยอ้าชิวหามาให้ดูกลางสักหน่อยว่างั้นเดี๋ยวเราเอ๊จะมีแต่จักขู่กระจายเท่านั้นหรือ ย, ยังไงว่างั้นนะ ก็เอาสับวางให้ดูสักหน่อยนะพอเป็นเข้าไว้อออันนี้นี่นะครับถ้าพูดถึงว่าเราจะมาแปลเป็นเป็นเข้าใจแบบแบบง่ายๆนะฮะหมายความว่าไอ้สิ่งที่เราจะฝึกหรือว่าเราจะคุ้มครองหรือรักษาเนี่ยถ้าจะบอกว่าตาเฉยๆเนี่ยไม่ถูกไม่สมบูรณ์เพราะตาปกติแล้วถ้าเขาไม่ยังไม่เป็นอายุสนาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันเพราะเขายังไม่ได้ทาหน้าที่อะไรเลยถูกไหครับ เราก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อให้มันเกิดจากกุวิญญาณเพราะฉะนั้นคำว่าฝึกนี่ไฝึกเฉพาะขณะที่เขาเป็นอายตนะปกติตาเฉยๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นทั่วเป็นภัยอะไรแต่ถ้าเขาเกิดไปเชื่อมไปต่อกับรูปแล้วเนี่ยนี่แหละจะต้องเริ่มฝึกเริ่มสารวมเริ่มอย่างนี้หรือเปล่าครับจึงชื่อว่าผัสสายตนะ หรือว่าภัสายยานะคือจักขู่ทาไมจึงไม่กล่าวถึงว่าอจักขู่บุคคลควรฝึกควรคุ้มครองควรคล้ายๆถ้าเราจะพูดไทยๆอย่างนี้นอสํารวมตานะอย่างเนี้ยแต่ภาษาไทยบอกสํารวมตานะแต่ภาษาบาลีภาษาธรรมะไม่ได้บอกอย่างนั้นบอกแกต้องสํารวมผัสสะผัสายยานะคือจักขู่อันนี้เฉพาะสูตรนี้นะถ้าสูตรอื่นก็ยกจักขูโดดๆเลย ค, คือมีหลายในมากเห็นไหมเฉพาะตรงนี้นี่เอาภาษาจตนะบางในก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเลยโดยที่ไม่ต้องใช้อายตนะเข้าไปเกี่ยวข้องอันรู้กันว่าสํารวมหรือฝึกขณะที่เขาเริ่มเป็นอายตนะที่เขาเธอไม่ต้องเห็นก่อนแนละ้วมานั่งตรึกเอาหรอกเห็นไะหมันก็ต้องฝึกฝึกทั้งหมดเลยนะเพราะว่าจักขคูเนี่ยนะเป็นขันเมื่อจักรคูเป็นขันเนี่ยจักขคู่ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและ ปัจจุบั น, นจะต้องเพ่งทั้งหมดเลยต้องต้องไข้ควรทั้งหมดเนี่ยนะไอคำพา่พาพ่อฝึกเนี่ยไม่ใช่เอาไปไปฝึกดูอะไรให้มันดูเร็วๆอะไรไม่ใช่ในลักษณะนั้ น, นก็ต้องสังเกตทั้งหมดอะ่ะเป็นอ่าเรียกว่าเป็นอารามณปัจจัยของการวิจัยทั้งหมดอะ่ะเห็นไหมก็ต้องเอามาวิจัยทั้งหมดคือบางสูตรเนี่ยพระองค์เน้นปัจจุบันบางสูตรเน้นอดีตอนาคต ถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเขเพราะว่าถ้าภิกษุกลุ่มไหนที่เน้นอดีตอนาคตเกินไปไม่ลงปัจจุบันสักทีพระองค์ก็เน้นปัจจุบันแต่ถ้าพิกษุกลุ่มใดเน้นปัจจุบันอย่างเดียวพระองค์ก็สาวให้ดูทั้งทั้งตลอดสายอ่าพระองค์เน้นจะไม่ได้เพ่งจุดใดจุดหนึ่งจนเกินไปนะเพราะจึงมีธรรมะในหมวดอื่นๆที่มีการเชื่อมโยงไปหาธรรมะหมวดอื่นๆเนี่ยนะไปดูในที่อื่นๆอีกแล้วจะเห็นว่าพระองค์เน้นแสดงหลายใน แต่เฉพาะตามคมภีสังยุตตนิกายนี้สังเกตแล้วเน้นที่เวไนเป็นหลักเขาเป็นสูตรสั้นๆเน้นที่เวไนเป็นหลักคือผู้ที่จะพอตรัสรู้ได้เวไนยะนี่คือพอที่จะตรัสรู้ได้นะอัตถกถาอ่านดูเลยสังเกตดูว่าถ้าใช้ศัพ์นี้เหมาะกับคนนี้ใช้สัพ์นี้เหมาะกับคนนี้เป็นต้นเนี่ยนะเปลี่ยนคํานิดๆหน่อยๆเท่านั้นเอง